พระบัญญัติหนึ่งเจ็ดสสก็ภิกษุณีใดบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมต้องอบัปตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปให้สตรีมีลูกยังดื่มนมบวชจบ